ตายณะสูตรว่าด้วยตายณะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปตายณะเทพบุตรผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิมาก่อนมีวั น, นะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพราหมณ์ท่านจงพยายามตัดกระแสจงบรรเทาการเสียเถิดเพราะหากมุนีไม่ละกามย่อมเข้าถึงความมีจิตแน่วแน่ไม่ได้ถ้าบุคคลจะทำความเพียรพึงทำความเพียร น, นั้นจริงๆพึงบากบั่นทำความเพียร น, นั้นให้มั่นคงเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อน ย่อมโปรยธุลีคือกิเลสให้แปดเปื้อนยิ่งขึ้นความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกวา่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกวา่าย่าคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือแน่นอนฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้น กรรมที่ย่อย่อนอยังใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมองและพรหมจันทร์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามนั้นไม่มีผลมากตายนะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองครั้นเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้ว พระผู้มีพระภาครับสั่งเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ตายนะเทพบุตรผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิมกรมีวั น, นะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านไปเปล่งรัสมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของเราว่าพราม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 ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกวา่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังความดีใดทาแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกวา่าญาคขาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือแน่นอนฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกชันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้ามอง และพรหมจรรย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามนั้นไม่มีผลมากตายณะเทศปะบุทครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้อภิวาทเรากระทําประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเธอทั้งหลายจงศึกษาเล่าเรียนทรงจำตายณะคถาไว้ภิกษุทั้งหลายตายณะคถาประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ตายณะสูตรที่แปดจบ9ก้าจันทิมะสูตรว่าด้วยจันทิมะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวที สมัยนั้นจันทิมาเทพบุตรถูกอสุรินทาราหูเข้าจับตัวไว้ครั้งนั้นจันทิมาเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้กแกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขัน ขอพระองค์จงเป็นสารณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารบจันทิมาเทพปบุตรได้ตรัสกับอสุรินทะราหูด้วยพระคถาว่าจันทิมาเทพปบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสารณะราหูท่านจงปล่อยจันทิมเทพบุตรเสียเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกลำดับนั้น อสุรินทาราหูปล่อยจันทิมะเทพประบุแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาท้าเวปจิตติจอมอสูนถึงที่อยู่เป็นผู้เศร้าสลดใจเกิดขนพองสยองกล้าวได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรท้าเวปจิตติจอมอสูนได้กล่าวกับอสุรินทาราหูผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรด้วยคาถาว่าราหู ทำไมท่านจึงรีบปล่อยจันทิมะเทพบุตรเสียเล่าทำไมท่านจึงเศร้าสลดใจมเมื่อยืนกลัวอยู่เล่าอสุรินทะราหูกล่าวว่าเขาพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากเขาพรเจ้าไม่ปล่อยจันทิมะเทพบุตรสีษะของเขาพรเจ้าพึงแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลยจันทิมสูรที่เก้าจบ สุริยสูตรว่าด้วยสุริยะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุริยะเทพบุตรถูกอสุรินทราหูเข้าจับตัวไว้ครั้งนั้นสุริยะเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากยเลหทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะขับขันขอพระองค์จงเป็นสารณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารบสุริยะเทพบุตรได้ตรัสกับอสุรินทราหูด้วยพระคถ า, าว่าสุริยะเทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสารณะราหู ท่านจงปล่อยสุริยะเทพบุตรเสียเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกสุริยะเทพปบุตรเป็นผู้ส่องแสงทําความสว่างในที่มืดมิดมีสันฐานเป็นวงกลมมีเดชสูงท่านอย่าอมสุริยะเทพปบุตรผู้เที่ยวไปในอากาศเลยราหูท่านจงปล่อยสุริยะเทพบุตรผู้เป็นบุตรของเราเสียเถิดลำดับนั้น อสุรินทราหูปล่อยสุริยะเทพประบุแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาเท้าเวาปจิตติจอมอสูนถึงที่อยู่เป็นผู้เศร้าสลดใจเกิดขนพองสยองกล่าวได้ยืนอยู่ณที่สมควรเท้าเวาปจิตติจอมอสูนได้กล่าวกับอสุรินทราหูผู้ยืนอยู่ณที่สมควรด้วยคาถาว่าราหูทำไมท่านจึงรีบปล่อยสุริยะเทพบุตรเสียเล่า ทำไมท่านจึงเศร้าสลดใจมายืนกลัวอยู่เล่าอสุรินทะราหูกล่าวว่าเข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากเข้าพเจ้าไม่เพิ่มปล่อยสุริยะเทพบุตรศีรษะของเข้าพเจ้าเพิ่งแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลยสุริยะสูตรที่สิบจบวักที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมมกสปะสูตร 2. ทุติยกสปะสูตร 3. มาคสูตร 4. มาคทะสูตร 5. ทาธามลิสูตร 6. กามทะสูตร 7. ปัญจาละจันทสูตร 8. ตานะสูตร 9. จันทิมะสูตร สิสุริยสูตร 2>, 2. อนนาถปินธิกะวักหมวดว่าด้วยอนาถปินธิกะเทพบุตร 1. จันทิมัสสูตรว่าด้วยจันทิมัสเทพบุตร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 มีปัญญามีสติชนเหล่านั้นจากถึงความสวัสดีดุดเนื้อทรายในซอกเขาที่ปราศจากริ้นและยุงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดบรรลุฌานไม่ประมาทและกิเลสได้ชนเหล่านั้นจากถึงฝั่งดุดปลาทําลายขายได้แล้วว่ายไปฉะนั้นจันทิมัสะสูตรที่หนึ่งจบ เวณทุสูตรว่าด้วยเวณทุเทพระบุตรเวณทุเทพระบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเดือกล่าคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดนั่งใกล้พระสุคตมอบตนไว้ในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทตามศึกษาอยู่ชนเหล่านั้นถึงความสุขแล้วจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวณทุ ชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจ ต, ตามศึกษาในบทคำสอนที่เรากล่าวไว้แล้วชนเหล่านั้นไม่ประมาทตลอดเวลาไม่พึงไปสู่อำนาจแห่งมัจจุเวนทุสูตรที่สองจบ ทีขัลัทิสูตรว่าด้วยทีขัลัทิเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขกรุงราชครึ่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปทีขัลัทิเทพบุตรมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเวลุวัน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 ที่คลาติสูตรที่สจบสีนันทนะสูตรว่าด้วยนันทนะเทพบุตรนันทนะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า ข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ถึงญาณทัศนะอันไม่มีสิ่งใดขวางกั้นของพระผู้มีพระภาคบัณฑิตทั้งหลายเรื่องบุคคลประเภทใดว่าเป็นผู้มีศีลประเภทใดว่าเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทใดล่วงทุกได้เทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลใดมีศีลมีปัญญาอบรมตนดีแล้วมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติและความเศร้าโศกได้หมดสิน้นสิ้นอาสวะแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกบุคคลประเภทนั้นว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทนั้นล่วงทุก์ได้แล้วเทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทนั้น นันทะนสูตรที่สี่จบหจันทนะสูตรว่าด้วยจันทนะเทพบุตรจันทนะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเดิกกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า บุคคลผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจะข้ามโอเคะได้อย่างไรใครไม่จมในห้วงน้ำลึกซึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีปรารบความเพียูุทิกายและใจตลอดการทุกเมื่อย่อมข้ามโอเคะที่ข้ามได้ยาก เขาเว้นขาดแล้วจากกามสัญญาล่วงรูปประสังโยดได้มีความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินสิ้นแล้วย่อมไม่จมในห้วงน้ำลึกจันทนสูตรที่หจบ วาสุท ต, ตะสูรว่าด้วยวาสุท ต, ตะเทพบุตวาสุท ต, ตะเทพบุตยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วเล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละกามราคะเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกายทิฐิเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นวาสุทัตะสูตรที่หกจบ สุพรหมมสูตรว่าด้วยสุพรห ม, มะเทพบุตรสุพรห ม, มะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถานี้ว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาเสียวอยู่เป็นนิดเมื่อกิดทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดีถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่พระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว ขอจงตรัสบอกข้อความนั้นแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านอกจากปัญญาเครื่องตัสรู้ความเพียรเครื่องเผากิเลสความสำรวมอินทรีย์และการสละทุกสิ่งทุกอย่างเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเลยสุโรมเทพประบุตรเรื่อกรารทุนดังนี้แล้วและถึงหายตัวไปณที่นั้นเอง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 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนาวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครั้นเมื่อราตรีผ่านไปกกุทะเทพบุตรุมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างทั่วพระอัญชนาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระสมณะพระองค์ทรงยินดีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวุโสเราได้อะไรเล่าข้าแต่พระสมณะถ้าอย่างนั้นพระองค์ทรงเศร้าโศกอยู่หรืออาวุโสเราเสื่อมเสียอะไรเล่าข้าแต่พระสมณะถ้าอย่างนั้นพระองค์ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือ เป็นเช่นนั้นอวุโสกกุทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นภิกษุพระองค์ไม่ทรงมีความทุกข์บ้างหรือไม่ทรงมีความเพลิดเพลินบ้างหรือความไม่ยินดีไม่ครอบเำพระองค์ผู้อยู่ผู้เดียวหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่ายักษ์เราไม่มีความทุกข์และความเพลิดเพลิอนอันหนึ่ง ความไม่ยินดีก็ไม่ครอบงำเราผู้อยู่ผู้เดียวกรกุทะเทพปบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นภิกษุทําไมพระองค์จึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความเพลิดเพลินทําไมความไม่ยินดีจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้อยู่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีความทุกข์เท่านั้นจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินเท่านั้นจึงมีความทุกข์ ส่วนภิกษุเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลินเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดอาวุโสกักุทะเทพบุตรกราบทูลว่านานจริงหนอข้าพระองค์จึงจะพบเห็นภิกษุผู้เป็นพราม์ผู้ดับสนิทแล้วไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีความทุกข์ผู้ข้ามพ้นเครื่องข้องในโลกได้แล้วกกุทสูตรที่แปดจบ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 อนาถปิณฑกะสูตรว่าด้วยอนาถปิณฑกะเทพบุตรอนาถปินทกะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเล่ากล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพระเชตวันนี้นั้นมีหมู่รือสีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์ การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งสีหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดรหรือด้วยทรับไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคลายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุ ผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบอนาถบิณกะเทพบุตรเดือกราบทูลดังนี้แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทาประทักษ์ศีลแล้วหายตัวไปณที่นั่นเองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทพบุตรองค์หนึ่ง มีวันณงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านไปเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทเราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของเราว่าพระเชตวันนี้นั้นมีหมู่เรืสีพมนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์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 เป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบภิกษุทั้งหลายเทพบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้อภิวาสเรากระทําประทักษ์ศีลแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอาห น, นุ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เทพบุตรนั้นเห็นจะเป็นอนนาทะปินิกะเทพบุตรแน่นอนอนนาทะปินิกะขะหบดีได้เลื่อมสายยิ่งนักในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอานน์เธอคิดถูกแล้วเทพบุตรนั้นคืออนนาทะปินิกะเศรษฐีนั่นเองอนนาทะปินิกะสูตรที่สิบ อนาถปินธิกวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จันทิมะสสสูตร 2. เวนทุสูตร 3. ทีคลัตธิสูตร 4. นันทนะสูตรห้ราจันทนะสูตรหกวาสุทตะสูตรเจ็ดสุพรหมมสูตรแปดกกุฏะสูตรเก้าอุตระสูตรสิบอนาถปินทิกะสูตร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 ศิวาเทพบุตรมีวั น, นะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตว์บุตรเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุษ บุคคลรู้แจ้งสัตรูธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัตรูธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมได้ปัญญาหาได้ปัญญาจากคนอนุภานอื่นไม่บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้น ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์ปรุษบุคคลรู้แจ้งสัตธรรมของพวกสัตว์ปรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในถ้ำกลางคนผู้เศร้าโศกบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตว์ปรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์ปรุษบุคคลรู้แจ้งสัตธรรมของพวกสัตว์ปรุษแล้วย่อมรุ่งเรืองในถ้ำกลางแห่งญาติ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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบศิวะเทพบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัพบ ร, รุษเท่านั้นควรทําความสนิทสนมกับพวกสัพบ ร, รุษบุคคลรู้แจ้งสัตรธรรมของพวกสัพบ ร, รุษแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงศิวะสูตรที่หนึ่งจบ 2. เคมะสูตรว่าด้วยเคมะเทพบุตรเคมะเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วเลือกเล่าคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนพาลผู้มีปัญญาสามประพฤตตนเป็นเหมือนศัตรูย่อมทำกรรมอันลามกซึ่งให้ผลเผ็ดร้อนบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง และมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ได้รับผลกรรมใดกรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมไม่ดีบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานได้รับผลกรรมใดกรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมดีบุคคลรู้ว่ากรรมใดเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบลงมือกระทำกรรมนั้นทันทีอย่าพยายามเป็นนักปราเจ้าความคิด ด้วยความคิดอย่างพ่อค้าเกวียนเลยพ่อค้าเกวียนเลี่ยงหนทางสายใหญ่ที่ไม่ครุขระใช้หนทางที่ครุขระจนเปลาเกวียนหักซบเศร้าอยู่ฉันใดบุคคลหลีกจากธรรมประพฤติตามอธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนเขาดำเนินไปสู่ทางแห่งความตายซบเซาอยู่เหมือนพ่อค้าเกวียนมีเปลาเกวียนหักแล้วฉะนั้น เคมาสูตรที่สองจบ 3. เสรีสูตรว่าด้วยเสรีเทพบุตรเสรีเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วด้วยกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างก็พอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้นส่วนผู้ที่ไม่พอใจข้าวชื่อว่ายักษ์โดยแท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตรนีครอบเมืองมนทินแล้วให้ทานเถิด เพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเซรีเทพประบุกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัดเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้น บุคคลพึงกำจัดความตรหนีครอบเมือมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าเสรีเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานข้าพระองค์ได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกัพระ คนเดินทางไกลวันนิพกและยาจกทั้งหลายที่ประตูทั้งสี่ด้านครั้นต่อมาพวกฝ่ายในพากันเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระองค์ทรงให้ทานแต่พวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเลยเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ใตฝาละองทุลีพระบาทให้ทานและทําบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่า เราเองเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกมอมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่หนึ่งให้พวกฝ่ายในไปพวกฝ่ายในก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งต่อมาพวกกษัตริย์ พากันเข้าไปหาข่าพระองค์ได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าพระองค์ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานพวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทให้ทานและทําบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานะปดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่า พวกมอมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สองให้แก่พวกกษัตริย์ไปพวกกษัตริย์ก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกพลกายข้าราชการฝ่ายทหารเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่าพระองค์ก็ทรงให้ทาน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 เราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สามให้พวกพลกายไปพวกพลกายก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมามีพวกพราหมณ์เักฮาบดีเข้าไปหาข้าพระองค์เรือกล่าวดังนี้ว่าพระองค์ก็ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทาน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 เราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สี่ให้พวกพราหมณ์นักฮาบดีไปพวกพราหมณ์นักฮาบดีก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ปรุรุษทั้งหลายต่างพากันเข้าไปหาข้าพระองค์เรืองกล่าวดังนี้ว่าบัดนี้พระองค์จะไม่ทรงให้ทานในที่ไหนๆอีกหรือ เมื่อเขากล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นในชนบทภายนอกที่ใดมีรายได้ดีเกิดขึ้นพวกท่านจงรวบรวมส่งเข้าไปในวังกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งพวกท่านจงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนกัมพร้าคนเดินทางไกลวนิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิด ข้าพระองค์จึงยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญที่ได้ทําไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ที่สุดแห่งกุศลธรรมที่ได้ทําไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ว่าบุญเท่านี้พอแล้วว่าผลของบุญเท่านี้พอแล้วหรือว่าบุญเท่านี้พอแล้วที่เราเพื่งดํารงอยู่ในสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอาศัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ